ถามคู่รักที่ฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบจะต้องไปชดใช้กรรมร่วมกันแบบไหนครับพอเจอกันจะผูกพยาบาทอาฆาตคิดอยากฆ่ากันหรือเปล่าเห็นข่าวแล้วสงสารมากครับตอบเหมือนกับคุณถามว่าถ้าเพื่อนชกกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันมีความเป็นไปได้หลายแบบขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพของแต่ละคู่ครับ ผู้ชายชกกันบางทีกลายเป็นมิ่งมิตรที่ตายแทนกันได้ในภายหลังเหมือนคำเขาว่าถ้าไม่ต่อยตีก็ไม่สีกันแต่บางคู่ชกแล้วเจ็บใจผูกพยาบาทอาฆาตขนาดต้องเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งในวันต่อมาก็มีเข้าทำนองหมัดแพ้ปืนไม่แพ้สำหรับคู่รักที่ฆ่ากันตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็อาจได้ไปพบกันและรักกันอีก ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่เคยอยู่ร่วมกันได้มีความคิดคำพูดและการกระทาต่อกันดีร้ายเพียงใดไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ชั่ววูบถึงขั้นประหัตประหารกันเป็นหลักอย่างไรก็ตามลงเมื่อพลาดพลั้งสังหารชีวิตกันแล้วก็ไม่แคล้วต้องมีความผูกเวรกันอยู่เพราะการเบียดเบียนชีวิตกันคือแบบอกุศลที่ต้องใช้กาลังโทสะมหาศาลตรงนี้ต้องทาความเข้าใจดีๆก่อนว่า โทสะอา จ, จไม่ได้มาในรูปของความโกรธเกรี้ยวหัวฟัดหูเหวี่ยงเสมอไปโทสะเป็นกิเลสเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีกำลังผลักดันให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นนับตั้งแต่การพูดจาว่าร้ายการทุบตีไปจนกระทั่งการฆ่าฟันอาการทางจิตของเจ้าตัวผู้มีโทสะนั้นจึงมีลักษณะผลักใสอยากทาให้หายไปจากตาหายไปจากตัว หรือหายไปจากโลกนี้เส้นเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นใครย่างสามขุมเข้ามาจะทำร้ายด้วยท่าทีคุกคามและคุณก็อยู่ในภาวะจนตรอกหมดทางสู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจคือความกลัวลักษณะของความกลัวคือผลักออกไม่อยากให้เข้ามาอยากให้สาบสูญไปเป็นตน้นเมื่อคนรักคิดฆ่ากันด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ต้นต่อของการฆ่าอาจไม่ใช่ความเกลียดหลายครั้งการฆ่ากันระหว่างคนรักเกิดขึ้นจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงเกินขีดของความทนทานกระทั่งทำให้หน้ามืดบันดาลความคิดชั่ววูบนั่นคือปลิดชีวิตให้สิ้นลงความไม่พอใจเกินทนจะได้จบตามในกรณีทำนองนี้อารมณ์ที่ติดตามเป็นเงาตามตัวฆาตากรไป จึงไม่ใช่ความพยาบาทอาคาตแค้นอยากคิดเอาคืนแต่เป็นความไม่ได้อย่างใจอย่างรุนแรงหรือเสียใจอย่างรุนแรงวาระที่จิตของมือสังหารดับลงกรรย่อมตกแต่งพบใหม่เป็นภาวะไม่ได้อย่างใจเสียใจน้อยใจผูกติดแน่นหนาอยู่กับจิตชนิดหาทางปลิดทิ้งไม่ได้สภาพที่เขาจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาจะเห็นจะบีบให้เขามีแต่โทสะ เต็มไปด้วยความไม่สมใจเป็นหลักส่วนผู้ถูกฆ่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกำลังเป็นสว่างหรือมืดและสำคัญคือวาระก่อนขาดใจตายมีความผูกอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนอารมณ์ใกล้ตายของผู้ถูกฆามักเป็นความกลัวผู้ฆ่าดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่จิตของผู้ถูกฆ่าจะผูกอยู่กับผู้ฆ่าโดยอาศัยความกลัวนั่นเองเป็นเชือกมัด เมื่อฝ่ายฆ่าก็มีโทสะในทางคิดกำจัดชีวิตและฝ่ายถูกฆ่าก็มีโทสะในทางคิดดิ้นรนหลบหนีพบที่จะสวยร่วมกันถัดจากนั้นย่อมเป็นไปในทำนองไล่ล่ากดดันเสียใจน้อยใจหวัดระแวงกลัวลานเป็นต้นจนกว่าบุญเก่าจะตามฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายได้ทัน การให้ผลของบุญจะมาในรูปความสว่างเตือนสติให้ระลึกถึงกรรมดีหนหลังเห็นนิมิตกรรมดีเปลี่ยนสภาพจิตจากอากุศลเป็นกุศลจนอัตภาพตั้งอยู่ในอบายไม่ได้ต้องเลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่องดีๆนั้นโดยมากฝ่ายถูกฆ่ามักนึกออกก่อนกับทั้งเป็นผู้มีกำลังเหนือกว่าในการก้าวขึ้นสู่ภพสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุญ มีสำานึกคิดอ่านเพียงพอก็ได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ทันทีและตามหลักกรรมวิบากทำอย่างไรได้อย่างนั้นเมื่อตามกันขึ้นมาเป็นมนุษย์และเจอกันคราวต่อไปธรรมชาติจะให้อำนาจในการมีสิทธิ์ฆ่ากับอีกคนหนึ่งเป็นการสลับกันซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเหตุดีบคันให้อีกฝ่ายนึกอยากฆ่าไหมและเมื่อถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็ม กำลังจะฆ่าแกงกันฝ่ายนั้นตัดสินใจให้อภัยหรือเดินหน้าเอาชีวิตจนสำเร็จนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงเน้นเรื่องการให้อภัยเรื่องการไม่ผูกใจพยาบาทเรื่องการมีเมตตาจิตเป็นปกติระหว่างมีชีวิตหากใครมีใจเป็นสุขเพราะไม่ยึดมั่นความแค้นเคืองใดๆเขาจะตายด้วยความโล่งอกเสมอ หาความกลัวมาเป็นเชือกผูกจิตให้ติดอยู่กับพบแห่งความขนพองสยองกล้าวไม่ได้เลยความเมตตาทำให้คนเราอยู่เป็นสุขระหว่างมีชีวิตและเป็นผู้ไม่กลัวตายแม้จวนตัวกระทันหันแถมเมื่อเกิดในชาติถัดไปก็จะติดนิสัยการให้อภัยไม่คิดทำอันตรายใครถึงชีวิตง่ายๆครับ นายแห่งปัญญาจึงกลักล่นกราทุ่มเทสัจนรรม